คือคำว่ายะตนะเนี่ยแปลว่าบอกเกิดเนี่ยนะเขามาอยากจะแปลว่ามันเป็นรังก็ได้นะสมมติถ้าเคยใครเคยขุดรังโมแดงมั่งอันนีแค่แค่รังโมแดงออกมาเต็มไปหมดเลยนะแค่ตรงไหนแม้ออกมาตรงนั้นอ่ะอายตนะทั้งหลายเนี่ยมันออกมาจริงๆนะเจตสิกเนี่ยท่านทวานตานีถ้าเราเนี่ยสังเกตดูดกันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยดูนะจิตเจตสิกไหลออกมาทางตาเยอะแยะไปหมดเลยเห็มันทะลักออกมาเลยนะมันไหลอยู่นั่นแ่ะ อันอายตนาเนี่ยแปลว่าบอ่อเกิดใช่ไหมบอ่อเกิดเป็นเป็นเหมือนกับบอ่อจริงๆนะแล้วมันเป็นที่อยู่ของจิตเจตสิกนะถ้าใครอยากหาจิตเจตสิกเนะี่ยหาตามนั้นนะ่ะคนที่ตาเนี่ยถ้าถ้าดูจากอายตนาภายนอกนะอายตนาภายในด้วยจิตเจตสิกมันมันทะลักออกมาเลยนะเหมือนอย่างว่าเปิดก๊อกน้ำอย่างเง้ย น, น้ำทะลักออกมาฉันใดพอลืมตาปั๊บจิตเจตสิกมันะทะลักออกมาเพื่อที่จะเห็นเท่านั้นนะแล้วมัน จิตใดบ้างที่เกิดขึ้นอ่ะเพื่อที่จะเห็นทันจักรภูทวารวิถีเนี่ยนะจิตมีทั้งสี่สิบกว่าดวงนที่สามารถเกิดในจักรภูทวารทันเป็นที่ออกมาทะลักออกมาของจิตกี่ดวงอ่ะเมื่อมีตาแล้วสีสีเดียวเนี่ยนะสีนั้นเนี่ยเป็นอารมณปัจจัยของจิตมาเท่าไหร่แล้วสีชนิดนั้นนั้นเช่นอย่างเราเห็นดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยรองรับจิตได้กี่ดวงเป็นที่ตั้งแห่งจิตเกิดกี่ชนิด เพราะว่าอายตนะเป็นที่บอกเกิดของจิตและเจตสิกถ้าเราไม่คลอดูว่าจิตเจตสิกที่มันเกิดขึ้นนี่อะไรบ้างเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้บ่อยๆก็จะเข้าโลกานินโรธาสูตรเป็นต้นดังกล่าวไปนั่นเองแต่ว่าที่เห็นเห็นเฉพาะหน้าเนี่ยโหจิตเจตสิกเกิดขึ้นมาเนี่ยมากเหลือเกินอย่างทวานหูใช่ไหมโสตวิญญาณเนี่ย โสตะทะวารวิถีที่ไหลมาตามโสตะวิญญาณทุกคําทุกคําทุกคําที่เราได้ยินนะดูว่ามันเป็นบ่อที่ในทีนยกว่าไม่ไม่มีเต็มจริงๆะไหลออกมาได้ทั้งวันทั้งคืนออกมาอย่างนี้กันคนละหลายๆลาสิบปีออกมาเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยนะอดีตชาติก็ฟังเสียงเนะี่ยแหละฉั้นโสตะวิญญาณเป็นต้นทะลักออกมาตามหูทะลักออกมาทางจมูกในชะ่ไหมเมื่อสูดดมเนี่ยนะเชียวหาวิญญาณก็ทะักออกมาทวารลิ้น กายย่ิญยาณทะลักออกมาทุกขนทุกแห่งเลยนะตั้งแต่ศีรษะจรวดเท้าแล้วโดยเฉพาะตัวความคิดเนี่ยใครหยุดมันได้บ้างอันพวกนี้จึงเป็นอายตนะที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกเป็นบอกเกิดอันนี้นะถ้ามองบอกเกิดนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นที่ประชุมนะสีเป็นที่ประชุมของจิตกี่ดวงสีหนึ่งสีนะจิตกี่ชนิดไปประชุมตรงนั้นอันนเสียงแต่ละคําเนี่ยนะ จิตกี่ชนิดไปประชุมเพื่อที่จะฟังเสียงอันนั้นกลิ่นเนี่ยตัวกลิ่นนั้นะมีจิตกี่ชนิดไปประชุมตรงนั้นรถโพธิภาพทั้งหลายเนี่ยนี่ยสรรหาเอาที่ประชุมประชุมในอารมณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าใครเจริญจิตานุปัสสนาเป็นต้นเนี่ยเนี่ยจิตานุปัสสนาเวทานานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยเห็นหนึ่งอารมณ์เนี่ยจะเห็นว่าจิตเจตสิกมาประชุมในอารมณ์นั้นมากแล้วเกินเอางี้นะพื้นบ้านเนี่ย ผ่านมาจากจิตกี่ดวงแล้วกี่ดวงแล้วที่มาประชุมอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่พื้นบ้านเนี่ยเวลาเพ่อเดินคนส่วนใหญ่จะสำรวมใช่ไหมมันเด้เดินดูฟ้าหรอกเดินดูพื้นเนี่ยจิตกี่ดวงแล้วไปประชุมอยู่ตรงนั้นน่ะหนังสือเนี่ยแต่ละเล่มเนี่ยจิตกี่ดวงไปประชุมอยู่ที่ตัวหนังสืออักษรเนี่ยนะอยู่ที่เนื้อหาเนี่ยฉันจิตเจตสิกมาประชุมอยู่ที่นั่นนะถ้ามองเป็นกรรมก็กรรมละนะ เพรพวกนี้เป็นที่อยู่เป็นบ่อกเกิดเป็นเหมือนกับรังก็ได้เนี่ยรังของจิตและเจตสิกผถ้าคนที่จะพิจารณาจิตเจตสิกหรือนามธรรมา ท, ทั้งหลายเนี่ยนะดูจากอายตนาภายในกับอยตนาภายนอกเนะี่ยเห็นแล้วอ่ะนะเพราะตรงนั้นมันเป็นแหล่งที่รวมแหล่งที่ชุมนุมของอ่ะนะเหตุการณ์เดียวกันนะเอาสมมติ น, นะเหตุการณ์ต่างๆทำมาเงี้ยนนะึง เป็นศูนย์รวมของโลภะมูลจิตบ้างโทสะมูลจิตบ้างโมหะมูลจิตบ้างแล้วในบรรดาโลภะก็มีหลากหลายประเภทมากเป็นที่รวมของกุศลจิตบ้างเป็นที่รวมของอกุศลจิตบ้างเพราะฉะนั้นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ประชุมของจิตเจตสิกนะจิตเจตสิกเกิดขึ้นโดยอาศัยตามวัตถุกับอารมณ์เนี่ยอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นตาอย่างนี้ด้วยถามว่าการประชมุมในการเห็นการได้ยินเพื่ออะไรก็อย่างที่รู้กันมื่กี้ว่า เพื่อสร้างตานั่นแหละคือหมายความว่าเมื่อเราประชุมนะการประชุมเพื่อนัดประชุมเป็นการประชุมว่าเออเนี่ยสมมติเรามาเจอกันนะยเจอกันประชุมเรื่องอะไรเขียนใบนัดประชุมนะนีมาร่วมกันเขียนใบนัดประชุมเลยนะแล้วไปประชุมอีกก็เขียนใบนัดประชุมอยู่อย่างเงี้ยสืบอย่างเงี้ยตลอดไปเมื่อไหร่จะเลิกเนาะก็ขยันกันจริงๆเลยนะค่อยเน็ดค่อยเหน่ค่อยเบื่อค่อยนายเลยนะฟ้าอย่างเงี้ยเที่ยวประชุมเรื่อย จากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งไปประชุมเนี่ยแหละแต่พูดอีกไงหนึ่งก็ไปทำกรรมอ่ะนะกรรมมันก็จะมีวิบากต่อไปนะซึ่งศาสตร์ทั้งหลายก็ไม่ค่อยเบื่อค่อยหน่ายเป็นไปอย่างนี้สืบเนื่องกันไปทั้นในหน้าสองร้อยสามสิบที่กล่าวว่าอายตนะเป็นที่อยู่เป็นบ่อกเกิดเป็นที่ประชุมเป็นถิ่นเกิดแล้วก็เป็นการณะในที่นี้เน้นอธิบายว่าจากอายตนะภายในในฐานะเป็น วัตถุอายตนะภายนอกในฐานะเป็นอารมณ์มันก็เกิดการประชมกันเนี่ยนะจิตเยตสิกเกิดมากนันผู้ใดที่เรียนอจิตมามากๆเนี่ยนะศึกษาเช่นว่าจากักุทวารวิถีมีจิตอะไรเกิดบ้างอันนี้วิเคราะห์อีกในหนึ่งไนหะในที่สองอารมณ์นั้นอนะ่ะเป็นที่อาศัยเกิดของจิตอะไรบ้างเนไนะจะเห็นในความเป็นที่อเป็นถิ่นเกิดเป็น ที่ประชุมเป็นเหตุให้จิตเจตสิกนี้เกิดขึ้นทั้นจิตเจตสิกเหล่านั้นเมื่อวิเคราะห์เห็นก็ตามเห็นถ้าอย่างโดยวิปัสสนาก็คือเห็นจักขู่โดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นสีโดยความเป็นของไม่เที่ยงจักขูวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงผัสสะเวทนาเป็นต้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นการไข้ควรอย่างนี้จนกว่าจะดึงเรียกว่าถอนตนออกจากอายตนะเหล่านี้ได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นวิธีเลิกสร้างอายตนะก็คือตามเห็นอายตนะบอกว่าฉันไม่เขียนใบประชุมกับแกหรอกเนี่ยนีแกไม่เที่ยงหรอกนะไม่รับไม่นัดประชุมอีกแล้ววันฉันจะขอเห็นไม่เที่ยงนี่แหละจะได้เลิกประชมะุมสัทีไม่ไหวบริษัทนี้ประชุมเมื่ อ, อไหร่นะเดือดร้อนกันเดือดร้อนหน้าจริง ๆ, ๆนะก็ลองเราลอ ง, ลอ ง, ลองประชุมนัดกันไปเที่ยวบางอย่างเลยเดือดร้อนมากเลยนะประชุมกันทีหนึ่งก็เดือดร้อนทีหนึ่งนะนะ นนธรรมชาติคือจิตเจตสิกทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยอยู่ที่จกักรวัตถุเป็นต้นเพราะเนื่องด้วยการอาศัยจกักรวัตถุเป็นต้นนั้นอยู่ฉะนั้นจักรวัุเป็นต้นนั้นจึงชื่อว่าเป็นที่อยู่แห่งจิตและเจตสิกเหล่านั้นเนี่ยนะคือถาวทวาวรแห่งจิตเจตสิกนะหูอย่างว่าเนี่ยถามวโสตถาวราวิถีเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเพราะมีหูันนี้มากี่ครั้งแล้วนะเกิดมาเท่าไหร่แล้วนะ พอมีจมูกเนี่ยตั้งแต่มีจมูกมาเนี่ยนะเป็นบ่อเกิดของจิตเจตสิกมาเท่าไหร่พอมีลิ้นมาเนี่ยนะเป็นที่เกิดของจิตเจตสิกมาเท่าไหร่เพราะมีมโนมีผวังอะไรมาเนี่ยถามว่าความคิดเราเกิดมาสักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยว่าพวกนี้เป็นถิ่นเกิดเป็นบ่อเกิดเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยของจิตและเจตสิกเนี่ยนะก็วิเคราะห์ดูนะเพราะว่าวิธีท่านอธิบายก็ดูอธิบายเป็น ที่ในฐานะวัตถุทวารและอารมณ์ของจิตและเจตสิกทั้งหลายก็ว่าโดยรวมๆก็ลักษณะนั้นแต่นะี้อาการสืบต่ออายตนะเนี่ยมันไม่มีที่ที่จบที่สิน้นเมืาา่อไรเนอจะเลิกเห็ น, นเคยนึกพอไม่พอสัทีนะเห็นเนี่ยพอสัทีนะได้ยินเนี่ยพอสัทีนะรู้กลิ่นพอสัทีนะรู้รสพอสัทีสักระทบโธทภาเนี่ยพอสัทีท่านนึกคิดเรื่องราวทั่วไป อกพอพอพอพอแล้มันไม่ค่อยพอที่เอาเยอะอีกเขาบอกว่าโลกนี้นะมันกระหายโลกเนี้ยนะกว่าไม่รู้จักอิ่มเลยเป็นธาตุแห่งตัญหาเป็นธาตุแห่งการประชุมกันอย่างเหมือนกับพวกนักเลงสุราทั้งหลายเนี่ยน่าแต่ประชุมเพื่อดื่มสุราฉันใดพวกที่ไปในวัดกาทั้งหลายก็เหมือนกันก็เป็นไปสืบเนื่องยาวนานแต่ของเรานะสมาคมนี้เป็นการประชุมเพื่อจะเลิกประชุมถามวร หบังว่าทุกคนคงจะเลิกประชุมกันได้นะประชุมเพื่อเนนับวางแผนร่วมกันว่าจะยุบบริษัทนี้ได้ยังไงบริษัทนี้ใช้ไม่ได้ตั้งมานานแล้ววัตตะอันยาวไกลเตรมเกเตกล่าวว่าทุกคนเนี่ยนะถ้ากล่าวแบบว่าตาไม่มีใครพี่ใครน้องหรอกมาอยู่มาด้วยกันนะี่แหละแต่ว่าถ้ากล่าวอย่างนี้ก็กล่าวโดยปรามัดนะ ในแก้ยตนะนั said, himself, ่นก็สศึกษาดูนะมันคข้ครวญในอยตนะวิพังอยตนะวิพังสุตันตภาชนีพระผู้มีพระภาคแสดงว่าจักควายยตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะรูปายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาโสตายตนะคือหูเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา สัทภายตนะคือเสียงเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาคานายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาคันทายตนะคือกลิ่นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาชิวหายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาราสายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา กายายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาโพธายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามานายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาธรรมายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะเมื่อใดบุคคลทั้งหลายหรือผู้มีปัญญาทั้งหลาย เห็นอายตนะเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นเป็นอนัตตาเนี่ยนะเขาจะเบื่อหน่ายในอายตนะทั้งปวงนะเขาจะเบื่อหน่ายในสัพพทายตนะความเบื่อหน่ายในอายตนะทั้งปวงนั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงต้องไม่มีอายตนะเหล่านี้เป็นอารมณ์เนี่ยนะจะต้องกัดฉันทะละค่าหลุดพ้นจากอายตนะเหล่านี้ได้จึงจะพ้นที่สุดแห่งทุกได้เพราะอายตนะมันคือประชุมประชมเพื่อจะเกิดทุกใช่ไหม ประชุมเพื่อให้มีทุกข์เพราะฉะนั้นหลีกออกจากที่ประชุมเหล่านี้ได้จึงกลับเป็นสุขแล้วก็ไปพิจารณานะโดยแง่ ม, มุมต่างๆถ้าใครพิจารณายตนะยังไงก็พิจารณาไม่ค่อยออกนะไปดูเล่มยี่9ิบแปดยี่สบเก้าอยู่สองเล่มก็ไปเจริญเถอะโอ้ยสารพัพวิธีธรรมัชิมันิกาย ก, ายก็สลายยตนะวักนะวักท้ายๆเนี่ยนะเอ๊ไปหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องอายตนะ ถ้าอะไรไม่ได้จริงๆก็นั่งถามตัวเองเนี่ยจกักรครูเที่ยงหรือไม่เที่ยงอไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะไล่อย่างไง้ให้มันครบสิบสองเนี่ยนะก็ได้อัตชรรถไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันตอนนักจำอะไรไม่ค่อยได้ก็ถามเนี่ยไล่ถามอย่างเงี้ไปเรื่อยๆทีละอันทีละอันทีละอั น, อนครบสิบสองอัน้วขึ้นใหม่เนี่ยนั่งคิดอยู่อย่างงี้สักอาทิตย์หนึ่งนะผู้การกลับมาใหม่แล้วก็พิจารณาผู้การด้วยจักรครูผู้การก็ไม่เที่ยงยนะั่นแหละ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนาัตตาแห้ะนะก็ไล่ให้มันครบอสิบสองของพุ ก, การเนี่ยนะไล่ไปอย่างเงี้ยญาติมิตรสหายลูกหลานน้องอะไรที่มันเป็นที่ตั้งแห่งโคมาท์เอามาคิดอย่างเงี้ยให้หมดเลยนะคิดแน่เบื่อหนายแนะ่ให้เบื่อหนายให้รู้ไปนี่นะ